รู้สึกสำนึกคุณครูบาอาจารย์ที่ท่านนำเราเข้ามารู้จักและศรัทธาพุทธศาสนาตอนนี้เห็นชัดว่าพุทธศาสนาเป็นประตูทางออกจากวังวนทุกข์และรู้สึกว่าชีวิตมีจุดหมายไม่เคว้งคว้างอย่างแต่ก่อนอยากทราบว่าแค่ไหนถึงเรียกว่าแสดงความกตัญญูรู้คุณตอบแทนครูบาอาจารย์อย่างเหมาะสมแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นได้ชัดว่า ตนเองคงฝ่าวงล้อมบรรดาสานุศิษย์เข้าไปถึงตัวท่านไม่ไหวแน่ๆกตันยูคือรู้คุณกะตะเวทีคือตอบแทนบุญคุณเป็นคนละส่วนกันอาจมาด้วยกันหรือแยกกันมาเช่นบางคนจำได้และระลึกถึงผู้มีพระคุณอยู่เสมอแต่ไม่เคยตอบแทนใดๆเลยส่วนบางคน ไม่อยากจดจำว่าเป็นหนี้บุญคุณใครเทาว่าพอใครทำอะไรให้ก็ตอบแทนทันทีในทางใดทางหนึ่งและจะว่าไปนะครับบางทีก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันที่เราจะทำได้ครบทั้งรู้คุณและตอบแทนบุญคุณอย่างเช่นถ้าใครไม่ได้ศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกโดยตรงก็อาจผูกพันกับพระศาสดาน้อย ไม่ค่อยมีโอกาสรู้สึกถึงมหาคุณแห่งพระองค์สักเท่าไรหลายคนเข้าใจว่าธรรมะอันประเสริฐเกิดจากครูบาอาจารย์ที่ยังมีชีวิตทั้งที่ครูบาอาจารย์ต่างก็นำคำสอนมาจากพระพุทธเจ้าด้วยกันทั้งสิ้นหรือต่อให้ศึกษาธรรมจากพระไตรปิฎกโดยตรงผูกพันและทราบซึ้งกับพระมหาคุณแห่งองศา ส, สดา ทุรนทุรายอยากตอบแทนบุญคุณของพระองค์เป็นล้นพ้นก็ไม่ทราบจะทำอย่างไรได้ในเมื่อพระองค์ท่านดับขันทัปริพพานไปนานแล้วไม่ปรากฏองค์จริงให้กราบไหว้หรือถวายเครื่องบูชาใดๆอีกแล้วการตอบแทนบุญคุณพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ท่านตรัสไว้เป็นแนวที่ทำได้จริงแม้ในสมัยเราครับคือท่านทรงให้ปฏิบัติธรรมเป็นบูชา การปฏิบัติธรรมนั้นก็เริ่มตั้งแต่การทำจิตดีๆให้เกิดขึ้นด้วยการเปิดใจให้กว้างด้วยทานรักษาความสะอาดของจิตด้วยศีลและที่สุดคือพรากทุกข์ออกจากจิตด้วยการเพียรเจริญสติรู้กายรู้ใจจนเกิดภาวะแจ่มแจง้งว่างจากความถือมั่นว่ากายใจเป็นตัวตนหากทำได้แม้วุบวั บ, วบว ก็ให้น้อมเอาจิตดีๆที่เกิดขึ้นนั้นถวายแทนเครื่องบูชาพระศัสดาท่านจะทรงพอพระทยัยเหนือกว่าการรับเครื่องบูชาอื่นใดสิ้นเพราะตามมโนโปนิธานที่ท่านทรงลำบากเลือดตาแทบกระเด็นนับอสงไขยกับนั้นหาใช่เพื่อมารับการสรรเสริญหรือการบูชาด้วยเครื่องหอมดอกไม้งามใดๆในชาติสุดท้ายแต่เป็นไปเพื่อขนสัตว์ออกจากวัดตาสงสารโดยแท้ ทการทำให้พระองค์ทรงสมประสงค์ไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยเปล่านั่นเองจึงได้ชื่อว่าตอบแทนสูงสุดเมื่อพระศาสดาท่านทรงให้แสดงความกตัญญูกตะเวทีต่อท่านเช่นนั้นก็เป็นเรื่องสมควรที่คุณจะน้อมรับมาปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ผู้เป็นสาวกของพระองค์เช่นเดียวกันแต่หากคุณยังปฏิบัติธรรมไม่ได้ถึงไหน ใจยังไม่รู้สึกว่าทำได้ดีพอจะน้อมถวายเป็นเครื่องบูชาก็อาจทำตามธรรมเนียมนิยมให้เกิดความสบายใจว่าเราระลึกถึงบุญคุณท่านแล้วเราตอบแทนบุญคุณท่านแล้วการแสดงความกระตันอยู่ที่ง่ายที่สุดก็อาจแค่หาเครื่องแสดงว่าเราระลึกถึงท่านเช่นนำรูปมาใส่กรอบกราบไหว้เป็นต้นจะทาอะไรไม่น่ารังเกียจทั้งนั้น ขอเพียงมีใจคิดจริงๆและลงมือทำจริงๆเถอะขอยกตัวอย่างพระสารีบุตรซึ่งเป็นอัครมหาสาวกผู้เลิ่ทางปัญญาเป็นมือขวาของพระพุทธองค์ท่านก็ประกาศแสดงที่มาที่ไปของท่านตลอดชีวิตว่าเริ่มรู้จักพุทธศาสนากระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งได้ก็เพราะอาจารย์นามว่าอัศชิการกล่าวเสมอๆว่า พระอัศชิเป็นครูบาอาจารย์ก็นับว่าแสดงให้เห็นว่าพระสารีบุตรมีความกระตันยูแล้วจดจาผู้มีพระคุณได้แน่แล้วแต่ยังไม่พอท่านยังมีพฤติกรรมในการตอบแทนที่ชัดเจนขึ้นกล่าวคือก่อนนอนจะกำหนดยานอย่างรู้ว่าพระอัศชิอยู่ในทิศใดพระสารีบุตรก็จะผันศีรษะไปทางทิศนั้นเจตนาของท่านคือ เพื่อเทอิดพระอัศชิไว้เหนือศีษะตัวอย่างการตอบแทนผู้ชักนำให้เข้าสู่พุทธศาสนาของพระสารีบุตรนี้ถ้ามองเผินเผออาจดูแปลกและไม่อาจทำกันได้เป็นสากลเนื่องจากคนทั่วไปไม่อาจรู้ได้ว่าครูบาอาจารย์ของตนอยู่ทางทิศใดในแต่ละคืนหรือให้รู้ก็อาจไม่เห็นเหตุผลว่าทำไมต้องหันหัวไปทางท่านกรณีของพระสารีบุตรนั้น อยู่ตรงที่ท่านตั้งใจเทศ อ, อาจารย์ไว้บนศีรษะเป็นการตอบแทนบุญคุณจึงเป็นเรื่องเฉพาะของท่านสำเร็จประโยชน์แก่ท่านแล้วกับทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากหาทางตอบแทนครูบาอาจารย์โดวยวิธีเฉพาะตัวบ้างครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ที่เผยแร่พระสัตยธรรมด้วยใจที่ไร้หมนทินมักมุ่งหวังให้ลูกศิษย์ช่วยกันแพร่คาสอนของพวกท่านให้กว้างไกลออกไป หรือหวังให้ลูกศิษย์ปฏิบัติธรรมเจริญก้าวหน้าตามแนวทางที่ท่านสอนฉะนั้นถ้าคุณห้ามใจไม่ทำชั่วด้วยการระลึกว่าเพราะท่านห้ามไว้อย่างนี้หรือหากคุณลงมือปฏิบัติธรรมด้วยการระลึกว่าเพราะท่านสอนไว้อย่างนี้ก็ถือว่าสำเร็จทั้งรู้คุณและตอบแทนคุณแล้วครับ ธรรมดามนุษย์เราไม่ค่อยจะมีภูมิคุ้มกันโรคในระคุณส่วนใหญ่เมื่อเดือดร้อนก็ไปขอความช่วยเหลือเขาพอขอได้แล้วเริ่มสบายขึ้นก็ติดใจคิดอยากเรียกร้องขอโน้นขอนี่ต่ออีกบางคนพอขอไม่ได้ก็พานโกรธเกลียดผู้มีพระคุณไปเลยโทษฐานที่ไม่ทำหน้าที่ดั่งเคยนี่แหละความเห็นเกตตัวไม่รู้จักคำว่ากตัญญูกะตะเวทีสักเท่าไหร่ ต่อให้บุญคุณท่วมภูเขาก็เหมือนหายไปไม่เคยมีฉะนั้นขอให้ถือว่าคุณวาสนาดีแล้วที่ตกมาเป็นหนึ่งในกลุ่มชนที่อยากตอบแทนคุณท่านไม่ใช่อยากร้องขอจากท่านต่อ